คนญี่ปุ่นนี่เป็นชนชาติที่นอกจากให้คุณค่ากับความเป็นระเบียบอย่างมากแล้วเนี่ยก็ยังรักความสะอาดมากเลยเวลาใครไปญี่ปุ่นนี่ก็จะสัมผัสได้นะถึงความสะอาดตามสถานที่ต่างๆทั้งที่เป็นสถานที่สาธารณะหรือว่าสถานที่ของเอกชนแม้ทังบ้านเรือนกระทั่งห้องน้ํานี่ก็ เรียกว่าใครไปญี่ปุ่นก็ต้องประทับใจในะห้องน้ำเพราะนอกจากมีเยอะแล้วก็ยังสะอาดสะอา้านมีพี่คนหนึ่งนะเธอชื่อฮารุโกเป็นพนักงานของความสะอาดสนามบินแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นนะคือสนามบินฮานาดะเือเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากเรียกว่า แม้จะเป็นตำแหน่งที่อาจจะไม่ค่อยสำคัญนะแต่เธอก็ทุ่มเทกับการทำความสะอาดสนามบินมากแล้วก็ได้เจ้านายที่ดีด้วยนะถอยอุดหนุนส่งเสริมให้เธอทำงานนี้อย่างดีที่สุดภายหลังเนี่ยหัวนหน้าเนี่ยก็ส่งเธอไปแข่งขันนะ มีการประกวดาการทำความสะอาดอาคารระดับประเทศนะาราฮลโกเธอก็มั่นใจว่าเธอจะต้องได้รางวัลแน่แล้วเธอก็ได้จริงนะแต่เธอได้ที่2ก็รู้สึกผิดหวังนะเพราะเธอมั่นใจว่าเนี่ยผลงานเธอจะมันต้องชนะเลิยเลยทีเดียววันหน้าเนี่ย พอทราบผลเนี่ยก็รู้ว่าเธอเสียใจนะแต่ก็แนะนำเธอว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าเธอเอาจริงเอาจังนะกับงานมากเกินไปต้องรู้จักผ่อนคลายบ้างให้ ร, หรู้ให้รู้สึกมีความสุขกับการทำงานนะเธอก็ได้ข้อคิดขึ้นมาเลยนะว่าไอทำงาน ให้สะอาดอย่างไม่พอนะมันต้องมีความสุขกับการทำงานด้วยจึงจะผ่อนคลายและถ้าผ่อนคลายแล้วเนี่ยคนอื่นที่เห็นคนที่มาใช้สนามบินก็จะรู้สึกได้แล้วแต่ั้ามาเธอก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนมุมมองนะว่า การทำงานเนี่ยมันไม่ใช่เป็นภาระมันไม่ใช่หน้าที่เพราะถ้าคิดว่าเป็นภาระเป็นหน้าที่แล้วเนี่ยก็จะทำงานด้วยความเครียดแต่เธอมองว่าเนี่ยเราจะทำงานอย่างมีความสุขและวิธีที่จะทำให้ทำงานางมีความสุขก็คือนึกถึงความสุขของผู้อื่นโดยเพาะผู้ใช้สนามบิน ให้ถือว่าเนี่ยงานของเราเนี่ยคือการทำให้ผู้ใช้สนามบินเนี่ยมีความสุขมีความพอใจที่ได้เห็นความสะอาดสะอาดของสนามบิน้เธอก็คิดต่อไปนะว่าทํายังไงจะให้ผู้โดยสารเนี่ยเขาหรือผู้ใช้สนามบินเขามีความสุขนะเธอก็ใส่ใจแม้กระทั่งเวลาทําความสะอาดเนี่ยก็พยายาม ไม่ให้ขวางทางคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ต้องคอยสังเกตนะว่านะมีคนเดินผ่านผ่า น, านมาไหมก็พยายามหลบหรือว่าไม่ให้เกะ ก, กะเขานึกไปถึงว่าเนี่ยบางครั้งก็จะมีเด็กๆ เ, เนี่ยมาพลานบนพื้นหรือว่านั่งเล่นอยู่บนพื้นสนามบิน ถ้าพื้นสนามบินเนี่ยมันสกรปรกนะเด็กก็พลอยมอมแบมไปด้วยพอคิดถึงเด็กเหล่านี้แล้วนะอยากให้เด็กสะอาดสะอา้านให้พ่อแม่เขามีความสุขพอใจไม่เห็นลูกสกรปรกนะเธอก็พยายามทำความสายมันดีที่สุดนะไม่ใช่เพื่อให้สนามบินสะอาดอย่างเดียวนะแต่เพื่อให้ เด็กๆ เ, เขามีความสุขด้วยเด็กๆ เ, เขามาเล่นกลานนั่งบนสนามบนพื้นสนามบินแล้วเขาก็มีความเพลิดเพลิน ม, มันต่างกันนะทาให้สนามบินมีความสะอาดกับการทําให้คนที่มาใช้สนามบินเขามีความสุขแต่ก่อนเธอคงจะคิดแค่นี้แหละคือทำให้สนามบินมันสะอาดแต่ว่ามองข้ามคนไป ตอนหลังพอเธอมานึกถึงคนโดยเพราะคนที่มาใช้สนามบินแกเขามีความสุขให้เขาใจปลอดโปร่งผ่องใสเวลามาสนามบินพอคิดแบบนี้เข้าเนี่ยมันความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าเราทําให้เขามีความสุขพอเราทําให้เขามีความสุขเนี่ยตัวเองก็พอมีความสุขไปด้วยเพอตัวมีความสุขตัวเองก็พอยิ้มแย้ม แต่ก่อนเธอทําความสะอาดเธอก็หน้าบึง้งคิดแต่ว่าจะทําให้สนามบินสะอาดแต่พอเน้นถึงคนนึกถึงความสุขของเขาแล้วก็นึกว่าเนี่ยเออเราก็ทําให้เ้ามีความสุขด้วยก็เลยมีความสุขกับการทํางานเพราะมีความสุข ก, การทํางานมันก็ยิ้มได้เองนะหน้าตาก็เป็นมิตรแลต่อหลังเนี่ยเธอก็พยายามพัฒนานะไม่ใช่วิธีการทําความสะอาดแต่พัฒนาอุปกรณ์ ที่จะทำให้การทาความสะอาดนี่มันมันไปนได้ดีที่สุดนะประดิษฐ์ขี้ค้นแปลงเล็กๆที่เอาไว้ทำความสะอาดรูท่อที่มันเล็กๆรูท่อที่เป็นเครื่องเป่าเนะี่ยในห้องน้ำมันจะมีเครื่องเป่าความร้อนเพื่อให้คนที่ล้างมือนะเจอความร้อนมันก็จะมือก็จะแห้งได้ไว แต่ว่าบางทีท่อในเครื่องนั่นเนี่ยถ้าปล่อยทิ้งไว้มันก็จะสกระปรกมันก็จะอุดตันนะก็ไม่เคยมีใครคิดแต่เธอคิดนะว่าจะทํำยังไงนะทำให้มันไม่อุดตันก็ต้องพิสอุปกรณ์แปรงเล็กๆทําความสะอาดรูท่อเรื่องคิดต่อไปนะว่าเนี่ยบางทีชักโครกเนี่ยมันมีซอกนะที่อาจจะมีความสกรปรก ความสกรปรกที่ว่านี้อาจจะไม่ถึงขั้นว่าตาเห็นนะแต่ว่ามันจะเล็กมากเธอก็ต้องเธอก็เลยผลิตนะหรือคิดคน้นแว่นขยายนะเอาแว่นของหมอฟันนี่มาใช้เพื่อห า, อาคราบสกรปรกตามซอกของชักโครกขนาดนั่นเลยนะเรียกว่าไม่ใช่แค่ความสกรปรกหรือคราบที่มองเห็นด้วยตาเท่านะั้นแม้กระทั่ง อาจจะมองไม่เห็นได้ตาเนี่ยแต่ถ้ามันสกรปรกอยู่ยก็ต้องจัดการให้มันสะอาดแล้เธอก็ทำอย่างมีความสุขนะแล้วก็ต่อหลังเนี่ยเธอก็เริ่มคิดนั้นน่ว่าจะต้องทำเกมอะไรบางอย่างให้กับตัวเองเกมนั่นคือว่าเนี่ยทำยังไงจะให้ผู้ที่มาใช้ห้องน้ำเนี่ยพอเปิดประตูห้องน้ำแล้วก็แปลกใจแปลกใจว่าทำไมมันสะอาดอย่างนี้ ถ้าวันไหนเนี่ยผู้โดยสารเปิดใช้เปิดประตูห้องน้ําแล้วเขาแปลกใจว่ามันสะอาดมากเนี่ยโอ้เขาก็มีความสุขมากเลยถือว่าเนี่ยเป็นเกมอย่างหนึ่งนะที่จะต้องรุ่นให้ได้นะว่าผู้ใช้ห้องน้ําเนี่ยเขาจะมีความประหลาดใจไหมถ้าประหลาดใจนี่ก็ถือว่าเป็นการให้รางวัลกับตัวเองคือไม่งั้นเมื่อทำถ้าทําแป๊บก็ทำไปเรื่อยๆก็เป็นเป็นกิจวัตรบางทีก็เบื่อเหมือนกัน แต่พอสร้างสรรเกมนะให้กับตัวเองนะวันนี้จะมีกี่คนนะที่ก็จะประหลัดใจเวลาเปิดประตูห้องน้ำแล้วเขาเห็นว่ามันสะอาดเหลือเกินนะก็กลายเป็นความสนุกสนานขึ้นมาในการทำงานมันไม่น่าเบื่อแนละ้วตอนหลังเนี่ยเธอกกลายเป็นหัวนหน้านะแล้วมีลูกน้องตั้งห0 0รอคนนะแล้วก็แนะนำลูกน้องให้ทำความสะอาดแบบนี้แหละ อย่าคิดถึงแต่ความสะอาดของพื้นสนามบินแต่นึกถึงความสุขของคนที่ใช้ด้วยบอกว่าในที่สุดนะสนามบินฮายเดนดานี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นสนามบินที่สะอาดที่สุดในโลกนะไม่ใช่เฉพาะของญี่ปุ่นอย่างเดียวนะอันนี้เป็นท่าชี้การทำงานนะคือทำงานเนี่ยทงานต้องมีความสุขมันจึงจะเกิดความรักในการทำงานและพอรักในการทำงานมันก็เกิดความภยัน แล้คนเาเนพอเรานึกถึงความสุขของผู้อื่นนะมันก็จะทําได้ดีนะอย่างอาหารที่แม่ทําให้เราตอนเด็กๆเนี่ยมันเป็นอาหารที่อร่อยอร่อยกว่าตามร้านพ่ออะไรนะเพราะว่าแม่นึกถึงความสุขของลูกพอแม่นึกถึงความสุขของลูกแม่ก็ทําเต็มที่แม้เครื่องจะน้อยเครื่องไม่มากแล้วคนที่มีความสุขเนี่ยไม่ใช่เด็กหรือลูกอย่างเดียวนะแม่ก็มีความสุขด้วยยิ่งนึกถึงความสุขของผู้อื่นมากเท่าไหร่เนี่ยคนทำก็มีความสุข และสิ่งที่ทำเนี่ยหรือผลผลิมนก็ก็จะดีตามไปด้วย